และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลเป็นภาค พ, พื้นก็ปฏิบัติในอารักกกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้ ให้มีประจําอยู่ในจิตใจเนืองนิดคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาแผ่เมตาเมตาปรารนาให้เป็นสุขอสุภะ พ, พิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและมรณสติระลึกถึงความตาย เมื่อจิตใจได้อารักกรรมฐานรักษาย่อมเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างดีต่อจากนี้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 อันปรากฏเป็นความเห็นรูปความได้ยินเสียงความทราบกลิ่นรสหดทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องและความรู้เรื่องราวทางมณะกาต่างๆรวมเข้าเป็นขันธ์ห้าซึ่งทุกๆคนมีอยู่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 ที่ตนเองและขันห้านี้พระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าปูปาทานะขันขันคือกองอันเป็นที่ยึดถือวันนี้เป็นของเรา เราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราย่อลงก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นอัตตาตัวตนนั่นเองสามั ญ, ญชนทุกคน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 ที่เรียกว่าเราเรานี้ก็เป็นสมมติสัจจะที่ตรัสเรียกจัดบุคคลทั้งปวงตามที่ยึดถือกันื่าตัวเราของเรานี่แหละโดยตรงก็คือตรัสเรียกขันอันเป็นที่ยึดถือทั้งข่านี้ของทุกทุกคน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 เมื่อบุคคลยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจรึงต้องเป็นทุกข์ไปเพราะสังขารที่ยึดถือคือขันห้าที่ยึดถือนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีความโศกมีความคร่ำครวญรำพัน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 ลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันหานี้ย่อมประกาศลักษณะทั้งสามนี้อยู่ตลอดเวลาหากว่าขันห้าจะพูดได้ขันห้าก็จะต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่า ขบวจ้าไม่เทียงขาวจ้าเป็นทุก ข, ขาวจาเป็นอนัตตาให้ท่านมองดูที่ขาวจา้าแล้วก็จะเห็นเองว่าไม่เทียงเป็นทุกขเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจงได้ต่อไปนี้ก็ข อ, ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป